คาถาสุคนขบูชาความหอมของควันทูปลอยล่องไปถึงแดงทังแห่งพุทธะทั้งสิทินล้วนได้รับความหอมอบอวนพระพุทธเจ้ามากมายดูดมหาสมุทร ต่างรับรู้ถนงกรรมอธิฐานทุกๆุแห่งที่ฝันไปถึงที่นั่นจะเป็นที่มหามงคลปกค้มงด้วยเมฆมงคลผู้ที่จุดทูปบูชาด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่โดนถึงพระองค์ทรงปรากฏวรกาย ด้วยรัศมีกายเป็นสีทองให้ผู้จุดทุกบูชานะโมพุทธโตษ์มหาโตษ์ทุกทุกพระองค์ที่ประทับภายใต้ชัดเมตมงคลที่ข้าพระองค์จุดบูชา